ว่าผู้ที่ให้ทานทานคือการกระทําอย่างนั้นพุทธเจ้าทรงลงหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าเป็นแต่คนบางคนเกิดความโง่ ผู้ใดที่ให้ทานด้วยปัญญาชื่อว่าสัมปชานทานคงไม่แปลกหูสําหรับท่านที่ตามๆสัมปชานทานสัมปชานะเนี่ยมันรูปเดียวกับคําว่าปัญญาเป็นชื่อของ กระทั่งเป็นปัญญาที่เข้าไปมีอาการคล้ายกับวิปัสสนาปัญญา ทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ก็ไปทําเลือกทําทานอย่างนั้นอย่างมากทีนี้คน มันคือยังไงครับให้ผ่านแล้วก็อวิชชาไปทําให้ผ่านสร้างหมองเป็นเอ่อบุญชนิด ว่าที่จริงเจตเป็นโลภะเป็นโง่โง่พ่วงเช่นคนเมาเหล้าทําบุญ 6 บริสุทธิ์กับ ปฏิกา 6 ที่บริสุทธิ์ล่ะใครจะได้บุญเมากันอันนี้ก็บางว่ามันมีอีกเรื่องเทียบตังระดับนะผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามีคนเมาเหล้าสมัยพุทธกาล มันมีอาการทําให้วิบากของฐานนั้นมีอาการวิกลวิกาลผลมันเป็นอย่างนี้เพราะต้อง แล้วบางอย่างนั้นมันก็อยู่ในประสบการณ์เราพอเราไปทําไว้ 1 แล้วต้อง 6 เดือนด้วยนะไอ้อะไรอย่างเงี้ย ผลลัพธ์ทั้งการได้อย่างอื่นบางคนเนี่ยได้เงินมาด้วยได้นะสารพัดสารพันทั้ง เราถึงจะยังไม่ได้ลงมือตามอะไรเข้าใจนี่ในขั้นปริยัติถึงจะยังไม่ได้ลงมือตาม ไม่รู้ไม่เชื่อซึ่งที่น่าเห็นใจใช่มั้ยว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นอย่างว่าผมก็กินมาตั้งแต่หนุ่มจนอายุ 70 แล้วผมก็ นี่ก็เปลี่ยนจากเสียงหมอมาเสียงพระนั่นน่ะนี่พระว่าอย่างวางอย่างหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งแตกต่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจๆครับอย่างเช่นพระจะมา ถ้าท่านก็ยกตัวอย่างไอ้ชนิดที่อยู่เฉยๆแล้วรวยคนที่ไอ้คนเถียงมุถียงไม่ออกเหมือนไอ้อยู่ในตำรวจด้วยไงก็บอกบังเอิญมันลูกเป็นลูกพ่อมันบ่าวเลย ไอ้บางคนบริษัทเก่านะครับธุรกิจเก่าไอ้ตอนเออเป็นไปได้ทําไมคนแรกถึงไม่รวย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นความจริงทั้งหมดเหล่านี้แต่ว่าพูดแล้ว บางคนต้องมีความพยายามเพราะอะไรทําไมถึงสมบุกสมบันลมลุกคลานอย่างที่ดูทีวีเมื่อ เป็นเศรษฐีหลายหมื่นล้านมีที่ดินตั้งเกือบแสน 1 ใบและรางวัลอื่นใบทีโหดเดียวกันแล้วก็รู้ร่ํารวยมหาศาลเป สายทางนอกมองด้วยทางคนนี้ทําน่าจะทํากรรมมาได้จะได้เป็นทัศนคติเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ก็คือปัญญาเครื่องที่ทําให้เกิดความล้มเหลวคือตัวความไม่รู้มันลองคนรู้แล้วมันจัดแจงเองครับกิเลสทั้งหลายมันหลบหน้ามัน มันจึงมีประโยชน์มากในเรื่องของของของกันยาที่มันมันข้ากันอย่างนี้ก็ขอยก <c oughs> ในเรื่องของศีลในเรื่องของศีลคนที่รักษาศีลที่เป็นผู้เป็นการกล่าวถึงในทาง เอาจากกรรมสูตรคือคนไม่เห็นอานิสงส์เลยเรื่องศีลไม่มีประโยชน์เลย พอมาถึงตรงนี้ถ้าแค่ศีล 5 บางคนก็รับนะต้องอดทําไมก็เย็นไปนอนทําไมบน ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนผมเข้าใจอนิสงส์ศีล ไม่ใช่เป็นของที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์ในทางศรัทธาอันๆครับไอ้ที ที่ว่าเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะฮะปัจจยปริยายอะไรรู้รู้เลยว่ามันไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ เคลื่อนสาธรรมนะทําไมผมมันกลิ่นมือเดียวผมๆการจาริยา ผมไปนึกถึงคําในพระไตรปิฎก จะพุ่มทางอันช่องเนี่ยความเจริญในธรรมจะเป็นไปได้ดีและอีกรายละเอียดเนี่ยเหตุปัจจัยที่มันๆมีการคืนคลายกันไป เมื่อท่านฉันเมื่อเดียวเราจะไปเอาๆอย่างนี้ทั้ง ไปโดนลําดับยังไม่ใช่จุดจบยังไม่ใช่จุดสมบูรณ์ของความรู้ความเข้าถึงของก็เหมือนกันยัง แล้วก็อดีตที่มันเป็นบทเรียนเราคิดว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเรา เมตตาดูเราเห็นดูเราอย่างเราอินดูเด็กเหมือนมองเด็กทารกแต่ทีนี้มาดูในขั้นฌาน ว่าเป็นนิเพทะเป็นความแท้เอาปัญญามาเลือกเหมือนกันในคือ นักบังคีเราก็ได้ยินว่าคนทําฌาน 8 ประการน่ะเป็นเป 8 เป็นสายมรรค ปูดักหน้าดักหลังไว้ตรงกลางนั้นเป็นสายฌานทั้งนั้น อันนี้ก็ขอตั้งหลักเท่านี้ทีครับว่าทานเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลจิตเช่นเดียวกับถามว่าทานหรืออกุศลจิตเป็นกุศลจิตการฟังธรรมเป็นกุศล เพราะว่าอวิชชาน่ะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาก็ทําให้เป็นอารมณ์งั้น เช่นว่าฌานบอกได้มั้ยว่าสัพเพธัมมานัตตาอันนี้ก็คือว่า ปัญญาถึงขั้นไหนมันก็ปิดอวิชชาพันนั้นละอวิชชาพันนั้นส่วนที่ปัญญา เราก็ยังไม่ได้เคยถึงกับเอามาเรียนกันว่าพวกฌานโง่ในเรื่องเนี่ยก็จะนึกว่าจะเอามาเรียน การไม่รู้เรื่องปัญญาเป็นโมหะเมื่อจิตมั้ยอ่าต้องคิดซึกได้ พอมันโง่อยู่แล้วมันอยู่แล้วในปกติเราก็มาเรียนเพื่อให้อ่าเพราะฉะนั้นในข้อที่พูด ฌานนี้แหละเป็นมรรคผลนี่เป็นความโง่ของผู้ได้ฌานผู้ได้ฌานสําคัญว่า อ่าฌานแตกแล้วเศร้าโศกเสียใจเป็นความงมงายมี เราใช้กรณีนี้น่ะความรู้ปริยัติส่วนนี้เราใช้ว่าเอ่อผมรู้เมื่อท่านได้เข้าถึงธรรมสมมุติว่าได้ฌานได้ ฉันบอกว่าฉันเห็นมรรคตาเลยฉันเห็นมรรคญาณอย่างญาณเลยว่าจิตที่แท้จริงของเราเนี่ยมันเป็น คือเราเชื่อโดยโดยแม้ยังเพราะ เรเราก็ต้องเชื่อโยมครับเพราะเราไม่ได้อ่านมาเออก็อ่านมาเอออันนี้จริงของโยมนะอาตมาเข้าใจผิดแปรประสบการณ์อาตมาในระดับนี้ผิดไปก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างเรียก สังฆังก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะอันนี้ในเรื่องสูงว่าพระเจ้าคนถ้าไม่ สักพวกอาจารย์นี่ก็รู้บางทีก็รู้ใครเป็นยังไงก็รู้แต่ถามไปอย่างนั้นแหละถามเพื่อจะเป็นเป็นเหตุได้หนึกทําให้เรารู้ก็หน่อย กระทบกิโลกรัมซึ่งมันได้แล้วไม่คุ้มเสียท่านก็ไม่แตกแต่มงคลก็ยอมเหมือนกันก็ยอมหน้าก็รู้แล้ว ทางหมอยังไม่ได้เป็นอาจารย์อย่างนั้นเราออกคนนี้อารมณ์ดีชั่วโมงนี้อารมณ์ดีไม่ต้องบอกแม้แต่อาการกินข้าวกินปลาก็บอกนะนี่เค้าละเอียดขนาดนี้คือไอ้ไอ้ชั่วโมงไหนที่มันดีแม้หิวดีหรือเกลือครับกินอาหารดีเหลือแล้ว ไอ้การให้ความเห็นใจแก่ล้มชายงานมันจะไม่มีเลย จะจับได้ดีก็ดีไม่ดีของของฌานเอ่อก่อนจะผ่านมานี้วิชารู้ เณรญาคก่อนนะกับอีกคนนึงได้วิปัสสนาปัญญาที่ให้คู่ที่มีวิปัสสนา คนที่ได้ทิพจักขุสูงได้การระลึกชาติเนี่ยได้ปัญญามากกว่าว่างั้นเปล่าล่ะเพราะคนที่มีตาทิพย์เนี่ยเห็นเลย เพราะไอ้จุดตรงนี้อ่ะครับทําให้เป็นช่องของกิเลสคนที่ คือว่าบางคนเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ ไอ้ความๆที่เป็นเรื่องของกิเลสรู้สังหรณ์เกิดคนนี้มันเคยฆ่าเรามานะไอ้กิเลสส่วน ในลำดับอย่างที่ว่ากันในดังจะได้ขั้นสูงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขั้นสูงเกินภูมิ ไม่ได้ฉลาดอีกแล้วคือถึงที่สุดของความนั้นก็เป็นอวิชชาเป็นผู้ที่เป็นไปในอวิชชาแล้วอันในข้อนี้หลงด้วย การพูดถึงความคิดผัดจากคุณสมบัติที่ตัวถึงตัวได้หลังจากนั้นที่มันเกินไปจากภูมิบัญญะนั้นเป็นความโง่ ทั้งปริญญาปฏิบัติเนี่ยขณะที่คนทําวิปัสสนานั้น และเราจะรู้สึกได้ประการหนึ่งเหมือนกันทุกคนครับคือพอเราได้เข้าใจตรงนี้เราจะเกิดการคิดวิจารณ์อดีตอดีตหมาย คือไม่รู้อย่างไม่ได้คิดวิจารณ์อะไรออกมาเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยความประจางๆก็ผ่อน การละอวิชชาจึงไม่มีคำว่าฉับพลันหมายความว่าก้าวกระโดดหรือโผมหาบจะต้องมีขั้นตอนฉับพลันก้าวกระโดดหรือ คนที่ฟังธรรมอธิบายแล้วก็ยังบรรลุได้ ได้เกิดความรู้สึกแปลกๆกับในพฤติกรรมว่าทําไมท่านทําอย่างนี้ทําไมท่านไม่โต้ตอบเขาอย่างรุนแรงทําไมถึง เห็นน่ะคนเหล่านี้ท่านไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยถ้าเราลงได้รู้อย่างท่านเราก็ต้องสร้างทางอย่างท่านสมมุติ ฆ่าเขาตายด้วยฆ่าลูกภรรยาเขาตายด้วยเผาบ้าน 10 ล้านคิด คุณนั้นยา 10 ล้านคุณอยากเอาชีวิตผมนะถ้าเขาบอกแม่เค้าเอาแค่นี้พอเราไอ้คุณมาโกงเรามื้อนึ่งแม่นี่จริงๆดูที่จริงเรารู้สมมุติจริง <c oughs> เราจะทําใจได้นะครับคิดว่าทําได้มั้ยได้ครับถ้าเกิด แล้วบางคนไปโดนเค้าเค้า 2 ล้านไปปรึกษาท่านท่านบอกยกให้เข้าไปในโยมพอคุณนานโยมหน้าครับโกรธอะไรกันพวกนี่พวกเดียวกับไอ้ขี้โกง <c oughs> จะมาขอร้องให้ท่านถูกขึ้นท่านก็มาแล้วชักตัวอย่างอื่นมาก่อนอันนี้ไม่ต้องหวานร้อนๆอันนี้ก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็บอกให้ทางอธิษฐานให้ไม่ได้เค้าร่ํารวยมีกรรม ใครโกงเราเราอยากจะให้ทําอะไรให้มันจริงไม่ได้คิดแล้วก็มันเนี่ยครับยิ่งรวยเนี่ยไอ้ไอ้แค่ล้าน 2 ล้านเนี่ยมันยิ่งเล็กมั้ยบางทีมาโปโอตั้ง 10 ปี 2 ปี ที่ไปโกงอะไรก็ว่าแล้วก็ไม่ว่าอะไรเจอหน้าก็ดีก็วอยพรตอบอะไรทํานองนี้นะมันลบได้ ทำไมเค้าไม่มนรู้รู้จะต้อง 3 เดือนก็ยังรับนิมนต์เค้าพี่หนามซ้ําตอนออกศาสดายังไม่ลาเลยนะลาเวฬัญญปามออกศาสดาแล้วอาตมาภาพและภิกษุสงฆ์ขอลาประจาริกไปสู่ที่อื่นขอและท่านไม่พูด มีมนต์อยู่แล้วก็ไม่ยอมมาเลี้ยงอะไรเลยเนี่ยต้องชั้นเข้าแดงอยู่ 3 เดือนทำไมอ่ะครับอันเกิดกุศลละกี่กุศล แต่ที่เค้าลืมเค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นบาปของเราไอ้ตรงนี้ กันคนอื่นกับถือเอาส่วนดีที่เขามีเนี่ยเป็น ที่เราย้ําเราคู่กันอยู่บ่อยๆเป็นหลังในอริยสัจ 4 แต่ถ้าเป็น อันนี้ไม่แน่อ่ะถ้าทรัพูรู้ว่าอัตราส่วนได้แค่ไหนใน เราก็มองๆโกบางคนนี่ว่าให้เป็นอาชีพให้เป็นอาชีพหมดให้ทุกเมื่อให้ทุกวันให้ทุกต่อเนื่องกันเลยอย่างนี้ ชีวิตจิตใจเลยจิตใจเลยแต่เค้าเรียกว่าทานธรรมทุกโลมอะไรก็ออกเลยเนี่ยคิดวนวนเปลี่ยนเป็นว่า บางคนก็รู้ด้วยและทําด้วยความจริงนักใคร่ทานถ้ามาได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีปัญญาส่วนนี้ประกอบแม้แต่จะเป็นครึ่งหนุ่มๆเหล่านั้นเป็นอย่างดีบาง ก็ไม่คิดน่ะไม่ได้คิดคิดแต่ดีกว่าให้แล้วไม่ต้อง โลภมันเป็นความโลภภาวะนั้นจะสมมุติว่าอ่ะคุณขุดบ่อน้ําได้อะไรถามว่าคุณขุดบ่อน้ําที่ไหนบ้างเนี่ยจริง การปลานามิสงส์เป็นการช่วยคนโลภหรือเปล่าคนที่ทําโดยไม่รู้เรื่องอานิสงส์ไม่คิดอะไรแต่พูดสักหน่อยก็ดีอ่ะเพราะคน ที่ไม่รู้อะไรมันก็เลยไม่รู้จักจะไปคิดในทางรู้ทางนี้อย่าไปนะคนให้ทานแล้วนอนหลับมันก็ไอ้แค้นแล้วโลภให้แล้วโกรธคือให้ เรเราก็ไม่เถียงว่าทําไมคิดอย่างโลภมันก็โลภคิดอย่างโกรธมันก็ แม้แต่แล้วปัญญานั้นทําให้กิเลสเหล่านี้เกิดปัญญาหลงไม่ได้ช่องโกรธไม่ได้ช่องโลภเท่านั้น ส่งเสียงเรียงนาบานดอกเหลืองขอเรือพาไปใส่หน่อยเด้อครับคนในบ้านบางงงไม่ได้ไปใส่ลองไปขายบางอันนั้นแหละเป็นอาชีพมันชักปุยขนไปที่อื่น ไม่มีเวลาคนอะไรก็ตัวตัวหนึ่งใช้แล้งโดนหนูยังไม่ได้แกะจะขอพฤติกิจก็ให้มาให้เด็กไปให้เราก็แล้วทั้งทีก็หลอกใครบ้างมันจะได้ก็คลุกกันเล่นๆอะไรตรงไหน <laughs> เรารู้ว่าทําทานอย่างนี้มันได้อานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้แต่อย่างเราเนี่ยเราเห็นอานิสงส์เราก็เบื่อดีจําไว้เฉพาะว่าเมื่อไปหลง เรื่องสวยงามใช่ไม่ได้เพราะมันมองรู้จริงๆน่ะครับ เมื่อเทียบในทางตามก็ยังดีกว่าอย่าไปเทียบทางสูงสิแล้วคนแต่ละคนเราต้องพูด ศึกษาธรรมะที่เอาปฏิบัติที่นั่นที่นี่ก็ทําอย่างผมไม่ได้ใช่นะก็ ก็ต้องเข้าใจคนอื่นเค้าให้มากกว่าที่จะทําให้คนอื่น 4 หรือ 4 ถ้าในขั้นปริยัติเป็นไปได้ กรรมอ่าวิปัสสนาและขั้นมรรคผลความจริงขั้นฌานก็ ซึ่งกามตัณหามีโทษเค้ารู้มั้ยเป็นเหตุให้มเวียนว่ายนะคือตัณหาคนชำนาญเค้านี้อ่า หมายความว่าคนที่ทําฌานเนี่ยเขาเห็นโทษของกามตัณหาใช่มั้ยล่ะพอเขาปฏิบัติฌานแล้ว ที่เขารู้ร่างกายและรู้ล่วงทุกข์คือขันธ์ สำหรับคนที่ฟังเรื่องอริยสัจ 4 แบบสูงๆมาแล้วอาจจะคิดว่าผมนี่พูดให้มันเลิกหรือ แม้อริยสัจ 4 ก็รู้อริยสัจ 4 แต่ท่านเรียกว่าเป็นอนุสัมโพธะก็เกี่ยวกับอริยสัจ 4 หมดนี้วิสุทธิมรรคก็พูดอย่างนี้ปฏิจิกธโคก็ มรรคประกอบด้วยองค์ 8 ได้เกิดขึ้นแบบๆคุมตัวเข้ามาอย่างหลวมๆและ พอปรับขึ้นมาก็แก้งอริยสัจ 4 ละตะมุขดูทุกข์ละสมุทัยมักปรากฏแบบเมื่อกี้ยังกิเลสเพียบ เปลี่ยนทุกขสมุทัยนี้โลดมรรคก็เป็นปัญญาคั่นบริยแล้วก็พอมาทําสมาธิทาง ในทุกในนี้ในสมุทรัยต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็นตัวทําวิปัสสนาปัญญาสําหรับผู้ที่ คนที่ไม่รู้ปริยัติ 4 ก็คือคําที่เค้าเถียงหรือเค้าถามกันว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าการ อย่างนั้นหรุไม้บางทีเราตบแล้วก็กลัวเค้าครับเกิดเป็นทุกข์มีทัศนคติต่อโลกว่าเป็นทุกข์ในธรรมตรงจริงครับไปอธิบายกันแล้วคน คือมีความคิดอย่างนี้แล้วถามว่าความคิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้แปลกหูแปลกตาสําหรับเรามั้ยเราก็ว่าไม่อะไร แต่จริงๆถ้าชีวิตทางที่นี้มันล่ะก็มันสุขอยู่เห็นๆนะเหมือนทุกตรงไหนพอเรียนๆแล้วก็เองก็สุขนี่ฟังเพลงแล้วก็สุขนี่อยู่แล้วมีทุกข์บ้างมีสุขว่าไปบางคนน้อยกว่าทุกข์บางคน ก็แล้วแต่แต่ภาระหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่มาตั้งข้อลําเกียรติไว้ให้ตัว ทำไมมองโลกมืดสนิดอย่างนี้นี่คือและจริงๆน่ะในขั้นบรรยัดเราอาจจะยอมรับคิด 11 กองเป็นยังไงบ้างอธิบายพระพุทธเจ้าก็ เออความรู้สึกขึ้นมาเมื่อใดก็เชื่อตกถล่มดีเออเชื่อดีไปอยู่ไปจริงๆ <laughs> แต่คนที่เค้าแทงตลอดในสรีระนี้มันไม่มีสาระทั้งหาสุขสาระๆทุกๆไอ้ คนเป็นนายกครับสุขดีมั้ยล่ะองค์ก็วุ่นวายแต่กันอยู่อะไรอย่างแต่มันสุขในเวลาที่พอเขาปฏิวัติทีดีเหมือนกันคนแล้วนะจะได้อยู่วังๆซะบ้างเนี่ยอยู่หรือจะอ้าง มันถ้าคนเรียนเรื่องทุกขสัจเอาแค่ท่านเหลือก็อธิบายกันดีๆเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าๆมันก็จะรับกัน Sách trên chìm chìm